จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุงใจขุสมทุกท่กทกทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมา วัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีการที่เราจะเป็นพุทธศาสนิกชนได้อย่างแท้จริงเราต้องมีการประพุทธปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพอพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้ว่าการเป็นชาวพุทธนี้จะต้องเป็นอย่างไรชาวพุทธของเราส่วนใหญ่ยะงไม่รู้หน้าที่ของตนเองเท่าที่ควรรู้แต่ก็รู้แบบผิดผิดผูกถู ฉันไม่รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนไปที่หลักกรรมคือการกระทำของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีผู้อื่นทำแทนเราได้ดังนั้นการที่เราจะขออะไรต่างๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธรูปจากพระธรรมพระสงฆ์ นั้นเป็นการขัดกับหลักคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าที่สอนให้มีอัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนส่วนใหญ่เวลาคนเข้าวัดไปวาดพระก็มักจะอธิษฐานขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้ซึ่งไม่ได้ เป็นไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ทรงสอนให้ขอแต่ทรงสอนให้ทำให้ทำดีแล้วผลที่ต้องการก็จะตามมาเองถ้าไม่ทำต่อให้ขอจนไปไปจนวันตายก็จะไม่ได้หรือถ้าได้ก็ไม่ได้ได้จากการขอไดจากการที่ เคยได้ทำความดีเอาไว้ในอดีตหรือเป็นการบังเอิญที่ได้สิ่งที่ขอมาแต่ไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการขอถ้าเป็นผลแล้วคนไทยเราทุกคนป่านนี้คงจะร่ำรวยมาหาศาลกันไปทุกคนเพราะทุกคนเวลาไหว้พระกราพระก็มักจะขอให้ร่ำให้รวย ขอให้สุขขอให้เจริญอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงเป็นอย่างไรเราร่ำรวยกันทุกคนหรือเปล่าเรามีความสุขความเจริญกันทุกคนหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราแต่ละคนมีความสุขมีความทุกข์มากน้อยต่างกันมีความเจริญมีความเสื่อมมากน้อยต่างกัน มีความร่ำรวยมีความยากจนมากน้อยต่างกันก็เพราะการกระทำของเรานี้เองว่าเราทำมากทำน้อยถ้าเราทำดีมากเราก็จะเราก็จะเจริญมากมีความสุขมากร่ำรวยมากถ้าเราทำน้อยเราก็จะได้น้อยเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือจะเป็นทางธรรมก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจเรียนหนังสือมากๆเราก็จะเรียนได้ชั้นสูงๆได้จบปริญญาตรีโทเอกได้ถ้าเราไม่เรียนหนังสือเราจะจบปริญญาได้อย่างไรนี่คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรางตรัสรู้ แล้วก็นาม า, มาเผยแผ่สั่งสอนแก่สรรโลกดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นชาวผู้ที่แท้จริงเราก็ต้องเชื่อในหลักกรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าอัตตาหิตอัตโนนาถตนเป็นที่พึ่งของต น, นไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริง เราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเองเราปรารถนาอะไรเราต้องการอะไรก็ขอให้เราทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาสิ่งที่เราปรารถนานี้เป็นผลแต่เหตุที่จะทำให้ผลนี้เกิดขึ้นก็คือการกระทำต่างๆนั่นเองเช่นอยากจะเรียนจบปริญญาเราก็ต้องมีมีการศึกษามีการไฝ่รู้ มีความตั้งใจเล่าเรียนหนังสือไม่นานเราก็จะได้พบกับผลที่เราปรารถนากันดังนั้นเวลาเราปรารถนาผลอย่างไรก็ขอให้เราคิดถึงเหตุที่จะทำให้เกิดผ ล, ผลนั้นเกิดขึ้นมาเช่นเราอยากร่ำรวยเราก็ต้องรู้ว่าเหตุที่จะทำให้เราร่ำรวยนั้นเป็นอย่างไร การที่เราจะร่ำรวยได้ก็หนึ่งต้องอยู่ที่การมีความขยันหมั่นเพียรทำมาหากิน 2. เมื่อได้ละมีได้รายได้ามาแล้วก็ให้รู้จักแบ่งปันเก็บเอาไว้ใช้เท่าที่จำเป็นส่วนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ควรที่จะเอาไปใช้ให้พยายามเก็บเงินไว้ให้มากๆไม่นานก็จะรวยขึ้นมาได้ ถ้าใช้มากกว่าที่เก็บไว้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้การร่ำรวยนี้เกิดจากการเก็บเงินเก็บทองเอาไว้แล้วเมื่อมีจํานวนพอสมควรก็เอาไปลงทุนต่ออีกครั้งหนึ่งเอาไปขยายดอกผลให้มีดอกผลขึ้นมาเพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยๆอย่าเอาเงินไปใช้กับสิ่งที่สืรู้สืบได้ กับสิ่งฟุ่มเฟยทั้งหลายเพราะมันไม่จมันไม่ได้ทำให้เราร่ำรวยขึ้นแต่จะทำให้เรายากจนลงและก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้กับสิ่งฟุ่มเฟยเพราะมันไม่ได้ทำให้ความสุขของเรามีมากขึ้นแต่อย่างใดไม่ได้ทำให้อายุของเรายาวนานขึ้นแต่อย่างใดไม่ได้ทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นแต่อย่างใด การจะใช้เงินใช้ทองก็ควรจะใช้ตรงนี้ใช้เพื่อสุขภาพของเราให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงให้มีอายุยืนยาวนานด้วยการใช้ปัจจัยสี่ตาความเหมาะสมต่อฐานะของเราแล้วเราก็จะได้มีเงินทองเก็บเอาไว้แล้วจะได้เอาเงินนี้ไปทำมาค้าขาย เพื่อหารายได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกถ้าทำอย่างนี้ไปไม่นานเราก็จะร่ำรวยขึ้นมาได้อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่อยู่ที่การกระทาของเราสิ่งที่เราจะขอจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก็คือวิชาความรู้เราอยากจะได้วิชาความรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้เราเหมั่นศึกษาตั้ง ตั้งจิตตั้งใจฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆหรืออ่านหนังสือธรรมะดีๆหนังสือที่คัดมาจากพระไตรปิฎกหรือหนังสือที่พระสุปฏิปันโนท่านเอามาสั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าเราไม่มีความรู้เราจะไม่มีความสามารถในการที่จะหาเงินหาทองมาได้เป็นจำนวนมาก คนที่มีการศึกษามีความรู้มักจะได้เปรียบกับผู้ที่ไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้ผู้ไม่มีความรู้ก็ <c oughs> จะต้องทาอาชีพที่ใช้ร่างกายใช้กาลังกายแล้วก็จะไม่ได้รายได้มากเ <c oughs> ชน่นไปรับจ้างเ ป, <c oughs> เป็นคนสวนเป็นคนรับใช้อย่างนี้เป็นต้นเพราะไม่มีความรู้นั่นเอง ส่วนผู้ที่มีความรู้ก็ไปทำงานเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำของบริษัทก็จะได้เงินทองมามากเพราะความรู้นี้สำคัญกว่ากำลังกายถ้ามีกำลังกายแต่ไม่มีความรู้ก็จะไม่สามารถที่จะเอากำลังกายนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นั่นเอง แต่ถ้ามีความรู้แล้วก็สามารถที่จะใช้กำลังกายนี้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าเราอยากจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะในทางโลกหรือในทางธรรมเราก็ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ต้องมีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาเร่มเรียนหาวิชาความรู้ต่างๆ ถ้าจะไปทางโลกก็ให้ศึกษาวิชาทางโลกถ้าจะไปทางธรรมก็ให้ศึกษาวิชาทางธรรมเนี่ยหรือจะศึกษาทั้งสองอย่างควบคู่ไปด้วยก็จะดีเพราะการมีวิชาความรู้ทางโลกอย่างเดียวนี้ยังไม่เพียงพอเพราะว่าจะดูแลได้เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นคือถ้าเรามีความรู้เราก็สามารถหาเงินหาทองมาได้มาก เราก็สามารถเลี้ยงดูร่างกายของเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่เราไม่สามารถเอาวิชาทางโลกมาเลี้ยงดูใจของเราได้เพราะใจของเรานี้ต้องมีความรู้ทางธรรมมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องการกำจัดความโลภความโกรธความหลง ถ้าเราไม่มีความรู้ใจของเราก็จะถูกกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงหลอกให้เราสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเราอยู่ตลอดเวลาต่อให้เราจเจริญก้าวหน้าในทางโลกมากน้อยเพียงรอยกรก็ตามกิเลสก็จะหลอกให้เราอยากจเจริญให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้รวยมากขึ้นอยากให้มีตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ อยากให้มีบริสัตว์บริวารมากขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะมีความสุขจากการได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าตราบใดมีความอยากมากเท่าไหร่ความความหิวความต้องการก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อให้ได้มามากเท่าไหร่ก็จะไม่รู้ รู้สึกว่าพอเพราะความสุขทางใจหรือความพอทางใจนี้ไม่ได้เกิดจากการได้มามากแต่เกิดจากการไม่อยากได้อะไรถ้ายังอยากได้อะไรอยู่ก็ยังไม่อิ่มไม่พอถ้าไม่อยากแล้วก็จะได้ความอิ่มได้ความพอดัองนั้นเราจึงต้องศึกษาทั้งสองวิชา ศึกษาทางโลกแล้วก็ต้องศึกษาทางธรรมด้วยเพื่อจะได้ดูแลส่วนประกอบของชีวิตเราของทั้งสองส่วนให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องร่างกายก็ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจิตใจก็ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขจะเจริญแก้วนะ้ไปเรื่อย จนได้ก้าวหน้าไปจนถึงขั้นสูงสุดคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ใจทั้งปวงหลุดได้ด้วยวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาธรรมะไม่ได้หลุดด้วยวิชาทางโลกไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดด้วยความร่ำรวย ไม่ได้หลุดด้วยกับตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระประธานาธิบดีนายกมนตรีพระเจ้าแผ่นดินหรือรัฐมนตรีจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะต้องหลุดพ้นด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทงสอนให้เรามีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธ ในพระธรรมในพระสรรรงฆ์ให้เราเชื่อว่าพระรพรุทธเจ้ามีจริงให้เราเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงให้เราเชื่อว่าพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี้มีจริงท่านเป็นผู้ที่มีความรู้จริงรู้จริงเห็นจริงท่านเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ถ้าเราเชื่อเราก็จะได้ศึกษาคำสอนของท่านและเมื่อเราได้ศึกษาคำสอนของท่านแล้วเราก็จะได้นำมามาปฏิบัติ <Yeah. S 1> ตนีดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องพยายามสร้างศรัทธาความเชื่อให้เกิดขึ้น <Yeah. S 1> ถ้าเรายังไม่เชื่อ <Yeah. S 1> ก็ขอให้เราหมั่นศึกษา <Yeah. S 1> ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> แล้วต่อไปศรัทธาก็จะเกิดขึ้นมา เมื่อมีศรัทธาแล้วเราก็จะสมใจที่จะปฏิบัติตามปฏิบัติสิ่งที่ท่านทรงสอนให้เราปฏิบัติคือนอกจากมีศรัทธาแล้วท่านก็สอนให้เรามีจาคะคือให้เรารู้จักเสียสละอย่าคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวการได้มามากเกินความจำเป็นนี้ไม่เกิดประโยชน์แก่จิตใจของเรา มีแต่จะสร้างทุกความทุกข์ให้แก่จิตใจของเรามากขึ้นเมื่อเรามีมากเกินที่เราควรจะมีเราก็ควรที่จะเสียสละบริจาคสงสมเพลาะให้แก่ผู้อื่นเพราะเมื่อเราได้ทําแล้วเราก็จะสกัดความอยากความโลภให้น้อยลงไป แล้วก็จะสร้างความสุขสร้างความอิ่มใจให้เกิดขึ้นมาคนที่เสียสละไม่เป็นนี้จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะจิตใจจะคิดอยากจะได้อย่างเดียวจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวแล้วก็จะไม่มีความเมตตาไม่มีมัตรีจิตต่อผู้อื่นไม่อยากที่จะทำอะไรให้แก่ผู้อื่นเพราะกลัวจะเสียประโยชน์ กลัวจะขาดทุนแต่คนที่มีจาคะคือมีการเสียสละจะมีความสุขใจจะมีเพื่อนจะมีมิตรเพราะมีความเมตตาอยู่ที่ไหนก็จะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีน่าต้อนรับไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีจาคะคนที่มีความเห็นแก่ตัวอยู่ที่ไหนก็หาเพื่อนไม่ได้ ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยก็จะไม่มีความสุขใจเนี่ยดังนั้นขอให้เราพยายามฝึกนิสัยจากะคือการเสียสละนี้เราเสียสละได้หลายอย่างไม่จําเป็นจะต้องเสียสละเงินทองอย่างเดียวเสียสละโอกาสให้แก่ผู้อื่นก็ได้เสียสละความสุขเสียสละประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็ได้ เช่นเราอยากจะได้อะไรพอดีมีคนอื่นก็อยากจะได้เหมือนกับเราเราก็ถอยออกมาให้ผู้อื่นเขาได้ไปก็ได้เราไม่ได้อะไรเราไม่ขาดทุนหรอกเพราะเรายังไม่ได้อะไรมาเราเราอยู่ได้เมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ทําไมพอเราอยากได้อะไรขึ้นมาแล้วทําไมเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มา ความโลภมันจะหลอกเราทำให้เรารู้สึกว่าจะตายให้ได้เวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้มาดังใจอันนี้เป็นกิเลสเป็นความหลงที่จะหลอกให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆได้มาแล้วก็ไม่เคยรู้จักคำว่าพออยากจะได้ไปเรื่อยๆแล้วพอเสียสิ่งที่ได้มาก็จะเศร้าโศกเสียใจสู้ไม่มี สู้ไม่ได้มาไม่ดีกว่าหรือเช่นเราอยู่คนเดียวเราไม่มีแฟนไม่มีสามีไม่มีภรรยากับคนที่มีแฟนมีสามีมีภรรยานี้ใครจะสบายใจกว่ากันคนที่ได้มาแล้วก็ต้องหวงต้องห่วงเวลาเสียไปก็ต้องเสียอกเสียใจคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องหวงไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียใจเวลา ไม่มีอยากจะได้ก็มีความกังวลกวังวลกัสับกัสายกลัวจะไม่ได้พออยากแล้วไม่ได้ก็เสียใจนี่คือความหลงที่มันจะสร้างความรู้สึกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราทําให้เราต้องไปกว้านเอาความทุกข์เข้ามาอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานั้นล้วนมีความทุกข์เข้ามาทั้งสิ้น เพราะเรามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความยึดติดกับสิ่งต่างๆที่เราได้มามพระพุทธเจ้าจึงต้งสงสให้พวกเรารู้จักจาคะให้เรารู้จักเสียสละให้รู้จักตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสมบัติเข้าของเงินทองในบุคคลต่างๆอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะจะเป็นทุกข์มาก แล้วไม่ช้าก็เห็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะเรามาตัวเปล่าๆแล้วเวลาเราไปเราก็จะไปตัวเปล่าๆแม้แต่ร่างกายของเราเราก็เอาไปไม่ได้แต่พวกเราไม่คิดกันนั่นเองเราลืมไปเราลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหาได้มานี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นเอง เป็นเหมือนของยืมมาสักวันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของไปสิ่งต่างๆที่เราได้มานี้เป็นของธรรมชาติมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแล้วสักวันหนึ่งธรรมชาติเขาก็จะเอากลับคืนไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีของคนที่เรารักก็ดีก็เป็นเช่นเดียวกันสักวันหนึ่งก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป ถ้าเรารู้จักเสียสละไม่ยึดไม่ติดเวลาที่เราคืนเขาไปเราจะไม่รู้สึกอะไรเหมือนกับเวลาที่เราไปยืมของเขามาเรารู้ว่าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ยึดไม่ติดพอถึงเวลาเรากา็รีบเอาไปคืนเขาเลยเราจะได้หมดภาระหมดหว่วงไม่ต้องรักผิดชอบแล้วก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจพราะเราไม่หลงยึดติด ปัญหาของเรานี้อยู่ที่ความหลงไปยึดติดสิ่งต่างๆว่าเป็นของเรานี้เองพอยึดติดแล้วพอเขามาเอาคืนไปหรือพอจะต้องคืนเขาไปก็ทาใจไม่ได้หากห้ามใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้ก็ต้องทุกข์ทรมานใจทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องทุกข์ทรมานใจเลยคนที่ไม่ยึดไม่ติดคนที่รู้จักเสียสละ คนที่มีจา่าคะอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาจะไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรเสียอะไรไปก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้วว่าต้องเสียแน่ๆต้องจากกันแน่ๆไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดแม้แต่ร่างกายของเรายังไม่อยู่กับเราไปตลอดเลยแล้วสิ่งอื่นจะอยู่กับเราไปตลอดได้อย่างไรสิ่งต่างๆที่เราหามาแทบเป็นแทบตาย พอเราตายไปร่างกายตายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วดังนั้นถ้าเราอยากจะได้บุญอยากจะมีความสุขอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องให้ก่อนที่เราตายอย่าไปคิดว่าออเรามีแล้วเวลาเราตายแล้วก็เป็นของคนอื่นไปอย่างนี้จะไม่ได้บุญเพราะยังไม่ได้ให้เวลาตายก็ให้ไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้เป็นสมบัติของเรา แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะให้ใครได้แล้วถ้าเราอยากจะให้ใครก็ต้องให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เช่นเรามีเงินทองเราอยากจะให้ลูกหรือให้ใครก็ต้องให้เขาในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นเราจะได้บุญเราจะได้ตัดอุปทานตัดความยึดมั่นถือมั่นในเงินทองได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราให้เราตายแล้วค่อยให้เขาไปอย่างนี้เราจะไม่ได้ตัด อุปทานเราจะไม่ตัดความยึดติดในสมบัติข้าวของเงินทองในสิ่งของต่างๆเราต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นสมัยนี้เขาจะมาชวนให้เราบริจาคอวัยวะต่างๆอย่างนี้เป็นต้นให้อวัยบริจาคตาบ้างตับบ้างปอดบ้างหัวใจบ้าง ถ้าบ่อยจากตอนที่เราตายไปลางนี้ไม่ได้บุญเพราะไม่ได้ตัดไม่ได้ละอุปาทานความยึดติดในอวัยวะต่างๆเรายังรักยังหวงอยู่แต่ที่ให้เขาไปก็ เ, เพราะว่าเราตายไปแล้วตอนนั้นมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วอย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นการไม่เป็นจากะไม่เป็นการเสียสละไม่เป็นการได้บุญ อยากจะเสียสละอยากจะได้บุนก็ต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นบริจาคไตไปข้างหนึ่งให้คนอื่นไปหรือบริจาคตาไปข้างหนึ่งอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นจาระจริงๆเพราะเราให้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราให้การให้นี้ก็เพื่อตัดจะตัดอุปทานความยึดติดในสิ่งต่างๆนั่นเองไม่ได้ให้เพื่ออะไรหรอกเพราะเรา พอเราต้องการกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากอุปทานความยึดติดในสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ในบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ถ้าเราให้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะมีความสุขเราจะไม่มีความทุกข์และต่อไปเวลาที่เราจะต้องเสียร่างกายนี้ไปเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใด นี่คือความหมายของจาคะคือการให้นอกจากนั้นแล้วท่านก็นส่งสอนให้เรามีศีลคือให้เรามีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันไม่ให้เราเบียดเบียนซึ่งกันและกันคนที่ให้คนที่มีจาคะนี้จะมีศีลจะมีเมตตาได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีจาคะ ถ้าไม่มีจาคะล้วก็จะยังหวงยังแหนยังเสียดายอยู่แล่ยังโลภอยู่ยังอยากได้สิ่งนั้นยังอยากได้สิ่งนี้อยู่และเวลาอยากได้มากๆก็จะไม่สนไม่สนใจว่าจะไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ถ้ามีความอยากมากๆแล้วต้องเอาให้ได้ก่อนจะไปได้มาด้วยวิธีใดก็ไม่สนใจได้มาด้วยวิธีสุดจริญก็ได้ หรือถ้าไม่ได้ด้วยวิธีสุจริตก็จะหามาด้วยวิธีทุจริตก็ได้ถ้ามีการทำกระทำที่ทุจริตแล้วจิตใจก็จะวุ่นวายจะไม่สงบจะไม่สบายใจเวลาเราไปทําผิดอะไรมานี้ใจเราจะไม่สบายแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจแต่อย่างใด ดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างไม่มีพิษไม่มีภัยก็ขอให้เรารักษาศีลไว้ให้ดีอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปทาผิดทั้งกฎหมายทางโลกและกฎหมายทางธรรมกฎหมายเขาห้ามไม่ให้เราทําอะไรก็อย่าไปทําศีลธรรมห้ามไม่ให้เราทําอะไรเราก็อย่าทําถ้าเราทํา ตามกฎตามระเบียบตามศีลตามธรรมได้แล้วใจของเราก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขเพราะพบชาติของเรานี้ก็ขึ้นอยู่ที่ศีลธรรมนี้ว่าจะเป็นพบชาติแบบไหนถ้าไม่มีศีลธรรมทำบาปทำกรรมก็ต้องมีพบชาติในอบายต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้าง ถ้ามีศีลก็จะมีพบชาติที่ดีกิดได้พบของมนุษย์บ้างได้พบของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าอยู่ที่ศีลธรรมนี่เองดังนั้นถ้าเราอยากจะเวียนว้ายตายเกิดในสุคติในพบของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าก็ขอให้เราพยายามรักษาศีลไว้ให้ดีถ้าเรารักษาศีลไม่ได้ เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในอบายสลับกับการเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างตกนรกบ้างอย่างไหนจะดีกว่ากันจะเกิดในอบายดีหรือจะเกิดในสุขติดีก็อยู่ที่ศีลธรรมนี้เองไม่ได้อยู่ที่ความปรารถนาเช่นเวลาคนตายไปเรามักจะพูดว่าขอให้ไปสู่สุขติพูดได้แต่จะไปได้หรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะเหตุที่จะพาให้ไปไม่ได้อยู่ที่คําพูดของผู้อื่นแต่อยู่ที่การกระทําของผู้ที่ตายไปแล้วถ้าในขณะชีวมีชีวิตอยู่รักษาศีลได้ก็จะไปสู่สุคติได้ถ้าไม่รักษาศีลก็จะไปสู่สุคติไม่ได้นี่คือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าและหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้พวกเรา จเจริญกันให้มากๆสร้างกันให้มีมากๆขึ้นไปก็คือสร้างศรัทธาให้มีมากขึ้นด้วยการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้มีจาคะมีการเสียสละแล้วก็ให้มีศีลไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นมีความเมตตาถ้าเราสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ เราก็จะเรียกตัวเราเองว่าเป็นชาวพุทธได้อย่างเต็มปากและเราก็จะได้รับอ น, นิสงส์ของการเป็นชาวพุทธได้อย่างเต็มที่ก็คือจะได้รับแต่ความสุขและความเจริญนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ของชาวพุทธนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป